สุขสันวันคืนประชชนครับผมประวัชนะของพระเจ้าที่มาถึงเราทั้งหลายในเช้าวันนี้ปรากฏในพระธรรมยอนบทที่สบกข้อสามลึกสาความว่าเราได้บอกเรื่องนี้แก่ท่านเพื่อท่านจะได้มีสันติสุขในเราในโลกนี้ท่านจะประสบความทุกข์ยากแต่จงชื่นชัยเจอ เพราะว่าเราได้ชนะโลกแล้วแฮปปี้อีสเตอร์ครับพี่น้องครับหันไปบอกเพื่อนๆนะครับหรือผู้อยากผู้ใหญ่ที่อยู่ข้างๆเรานะครับสมาชิกของเรานะครับแฮปปี้อีสเตอร์ครับพระเยซูทรงเป็นขึ้นแล้วครับพระเยซูทรงเป็นขึ้นแล้วครับพระเยซูทรงเป็นขึ้นแล้วครับ พี่น้องครับในเช้าวันนี้นะครับเป็นเช้าที่เราทั้งหลายมีความชื่นชมดีเป็นอย่างยิ่งเพราะเนื่องจากว่าเราได้หันกลับมาคิดถึงองค์พระเยซูเจ้าที่เราทหลายได้กราบไหวบูชานมัสการพระองค์ในทุกๆวันอาทิตย์และทุกๆเช้าที่เราเข้าเฝ้าพระเจ้าแล้เรารู้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ฟังคําอธิษฐานเราได้พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ทรงตอบคําอธิษฐานเราได้พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่อยู่ทรงพระชนอยู่และพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่สามารถที่จะช่วยเหลือเราได้ตลอดเวลา อเมนไหครับอเมนเพราะว่าเราไม่มีพระเจ้าที่ตายไปแล้วหรือเราไม่มีาศาสดาที่ตายไปแล้วเราไม่มีผู้สอนที่ตายไปแล้วแต่เรามีพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่เป็นผู้ที่นําชีวิตของเราเป็นผู้ที่ทําให้ชีวิตของเราเนี่ยมีความชื่นชมยินดีเสมอแม้ว่าจะอยู่ในความทุกข์ยากลําบากพี่น้องครับพระวจนะพระเจ้าในเช้าวันนี้นะครับเรากลับมาดูเรื่องราวของการเป็นขึนข้นในความตายการคืนพระชนของพระเยซู คนที่ได้เห็นกับตาก็คือบรรดาสาวกและรวมทั้งผู้หญิงด้วยผมอยากจะ บ, บอกกับผู้หญิงนะครับสุภาพสตรีที่อยู่นี่ว่าแท้จริงแล้วเนี่คนแรกเลยที่เห็นพระเยซูเป็นสุภาพสตรีนะครับและคนที่อยู่ใกล้ชิดพระเยซูตอนที่พระองค์ตึงแม่งเขนนะครับนอกจากยอนที่เป็นสาวกผู้ชายแล้วเนี่ยนอกนั้นเป็นสุภาพสตรีหมดพี่น้องครับเราเห็นว่าสุภาพสตรีซึ่งเป็นสมาชิกของโบสถ์กัฒนาเราเนี่นะครับก็มีมากกว่าสุภาพบุรุษใช่ไหมครับ แสดงว่าสุภาพสตรีเนี่ยรักพระเยซูสุภาพสตรีนั้นได้มีประสบการณ์ใกล้ชิดกับพระเยซูเพราะฉะนั้นผู้ที่เห็นผู้ที่ได้คุยกับพระองค์ผู้ที่ได้สัมผัสพระองค์ด้วยตาด้วยหูด้วยมือพวกเขาใช้เวลาที่เหลืออยู่ของเขาในการประกาศประกิศอิคุณพูดถึงการคืนพระชนของพระเยซูครับผมอยากจะถามในที่นี้ว่าพวกเรานั้นได้มีโอากาสพูดถึงเรื่องการคืนพระชนของพระเยซูให้กับคนที่เรารักมากน้อยแค่ไหน นั่นคือสิ่งที่เราจะเป็นพยานด้วยชีวิตของเราว่าเราพบกับพระเยซูผู้ทรงผชนผู้คืนผระชนในความตายของพระเยซูนะครับไม่ค่อยมีการกล่าวโต้แย้งมากแต่การกล่าวโต้แย้งเนี่ยมักจะเกิดขึ้นกับการฟื้นคืนผชนการคืนผชนของพระเยซูการคืนผชนของพระเยซูกลายเป็นเรื่องใหญ่เพราะมันเป็นไปไม่ได้สำหรับคนธรรมดาสามัญที่จะคืนผชนหรือจะฟื้นคืนชีวิต และนอกจากเป็นเรื่องใหญ่แล้วเป็นเรื่องสําคัญแล้วยังเป็นที่ถกเถียงกันของบรรดานักศาสน า, า, าผู้ที่ไม่เชื่อและแม้กระทั่งผู้นําศาสนายิวเถียงกันรุนแรงมากครับอุโมงค์ที่ว่างเปล่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับก้อนหินใหญ่ถูกกลิ้งออกมาจากหลุมฝังศพได้ยังไงและการทําลายแผนการทั้งหมดของซาตานมีชัดชัดในความบาปของพระเยซูมันเกิดขึ้นได้ยังไงพระองค์ทรง เป็นขึ้นในความตายแล้วพี่น้องครับโปร่งทรงยืนยันรับรองความจริงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก 2,000 ปีที่ผ่านไปแล้วนะครับการฟื้นคืนพระชนและเรื่องราตวต่างๆนี้ถูกถ่ายทอดมาประกาศถึงความรักของพวกเราทั้งหลายตลอดมาและความรักนี้ข่าวเผอิญนี้ข่าวดีนี้มาถึงชีวิตของเราครับนะครับเป็นประสบการณ์ที่เราจะมีกับพระเยซูผู้เป็นขึ้นในความตายผู้คืนพระชน แล้วเราจะต้องประจักษ์ถึงการทรงพระชนอยู่ของพระองค์พีน่น้องทีละครับชีวิตของเราเนี่ยจึงจะมีความหมายถ้าเรามีศาสดาผู้สอนที่ตายไปแล้วนะครับชีวิตเราอาจจะไม่ได้มีชีวิตชีวาแบบนี้ชีวิตเราอาจจะเป็นผู้ที่รับคําสอนแล้วก็เดินตามคําสอนแต่ว่าเรามีพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่และพระเจ้าผู้นี้เนี่ยเป็นพระเจ้าผู้เป็นที่มีความตายพระองค์ทรงรับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นมนุษย์มังเกิดเป็นมนุษย์สมบูรณ์แบบร้อ ถ้าพี่น้องที่ไม่ได้มาคืนวันศุกร์นะครับวันศุกร์ประเสริฐพี่น้องกลับไปแล้วก็เปิดเว็บไซต์ของโบสถ์นะครับวัฒนา church.org นะครับเปิดถอยไปอีกนะวันจันทร์วันคายมันพุธเนี่ยเราจะมีเจพันธสัญญา7จ็ดค้ำพยากรและวันศุกร์เนี่ยมี7จ็ดคำตรัสของพระเยซูวันนี้จะเป็น7ชัยชนะแห่งการคืนพระชนของพระเยซูและในสัปดาห์หน้านะครับที่โบสถ์อื่นก็จะเป็นเจ็ดเคำตรัสหลังจากการเป็นขึ้นเ็นความตายพี่น้องครับ ผมจะส่งให้ฟังนะครับพีส่งให้ฟังเสียงศิษยพิบาลก็เหมือนเดิมนะครับพี่น้องครับทำไมการฟื้นคืนพระชนของพระเยซูจึงสำคัญมากนะประการแรกครับเป็นพยานถึงฤทธานุภาพยิ่งใหญ่ของพระเจ้าการเป็นที่มีความตายของพระเยซูนั้นได้เป็นพยานถึงฤทธานุภาพฤทธเดชของพระเจ้าการเชื่อในการเป็นที่มีความตายคือการเชื่อในพระเจ้าถ้าพระเจ้าทรงเป็นอยู่จริงพระเจ้าทรงสร้างจักรวาลจริงพระเจ้ามีอำนาจครอบครองจริง พระเจ้าก็ต้องมีอำนาจทําให้คนตายเป็นขี้เมีความตายได้พระเยซูคริสต์พระบุตรองค์เดียวของพระองค์พระองค์ก็สามารถที่จะทําให้เป็นขึ้เมีความตายได้เปียลว่าชุบพระเยซูให้เป็นขี้เมียความตายพระเจ้าของเราไม่ได้ทรงเป็นพระเจ้าที่เราสมควรเชื่อถือนมัสการเป็นเพียงพระเจ้าธรรมดาๆเหมือนศาสนาอื่นแต่เป็นพระเจ้าที่เป็นขึ้เมีความตายพระองค์สร้างชีวิตและพระองค์ประทานชีวิตได้หนึ่งโครินธ์บทที่สิห้าข้อสี่ข้อห้าสถึงห้าบห หนึ่งโครินบทที่15ข้อที่54ถึงข้อห้แต่เมื่อสิ่งเน่าเปื่อยนี้จะสวมสิ่งซึ่งไม่เน่าเปื่อยและสภาพมตัตตานี้จะสวมสภาพอมตะเมื่อนั้นตามทึ่งเขียนไว้ในพระคัมภีร์จะสำเร็จว่าความตายนั่นก็ถูกกลืนถึงปลายชัยแล้วโอมั จ, จุราชเอ๋ยชัยชนะของเจ้าอยู่ที่ไหนโอมั จ, จุราชเอ๋ยเหล็กในของเจ้าอยู่ที่ไหนและเรื่องนี้ก็ปรากฏอยู่ในพระธรรมยอห์นบทที่11นะครับพระเยซูตรัสกับเธอว่าเราเป็นเหตุให้คนทั้งปวงเป็นขึ้นและมีชีวิต ผู้ที่วางใจในเรานั้นถึงแม้ว่าเขาตายแล้วก็ยังจะมีชีวิตอีกพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่พระเยซูพูดโปร่งทรงชัยชนะเหนือความตายมันประกาศถึงฤทธานุภาพยิ่งใหญ่ของพระเจ้าการคืนพระชนของพระเยซูเป็นหลักฐานที่เราจะเห็นการกลับคืนชีวิตใหม่ของพวกเราพี่น้องครับมีวันหนึ่งหลังจากเที่ยวจากโลกนี้ไปแล้วนะครับมีวันหนึ่งเราจะเป็นขึ้นเหนือความตายอีกพระคัมภีเขียนชัดเจน ผู้ที่วางใจในพระเยซูนั้นถึงแม้ว่าเขาตายแล้วก็ยังจะมีชีวิตอีกพี่น้องอ่านพร้อมกันดีไหมครับพระเยซูตรัสกับเธอว่าเราเป็นเหตุให้คนทั้งปวงเป็นขึ้นและมีชีวิตผู้ที่วางใจในเรานั้นถึงแม้ว่าเขาตายแล้วก็ยังจะมีชีวิตอีกในพระธรรมหนึ่งโครินโบทที่15นะครับอาจารย์เปโอลอท่านบอกถึงผลร้ายที่ตามมาอยู่หอย่างด้วยกันถ้าไม่มีการฟื้นคืนพระชนประการแรกก็คือการเทศนา เรื่องพระเยซูนั้นก็จะไม่มีความหมายใดๆถ้าพระคริสต์ไม่ได้ถูกชุบให้เป็นขึ้นมาการเทศนาของเราก็ไม่มีหลักเห็นไหมครับว่าการเทศนานั้นไม่มีหลักเลยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่านี่คือคําพูดของพระเยซูเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่เกิดขึ้นในโลกนี้แล้วก็ตายจากไปพระเยซูไม่ได้เป็นพระเจ้าเลยพระเยซูไม่ได้มีอํานาจไม่มีฤทธิเดชในการที่จะทำให้เราเชื่อเพราะฉนั้นนั่นเป็นเพียงแค่คําสอนธรรมดาแต่นี่ พระเยซูกำลังบอกว่าการเป็นผู้ความตายนั้นได้รับรองคำสอนของพระองค์ว่ามาจากพระเจ้าเพราะว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าอันที่สองครับที่เราเชื่อในพระเยซูนั้นก็ไร้ประโยชน์ปั้งกำปีบอกต่อครับความเชื่อของท่านหลายก็ไม่มีหลักด้วยไม่มีหลักก็คือมันไม่มีเกิดผลอะไรคุณเชื่อไปก็เชื่อแบบงมงายพระเยซูเป็นขึ้นมาหรอเป็นตานานเป็นเรื่องเล่าเป็นนิทาน แต่ว่าพระเยซูปเป็นนี่มีความตายจริงๆครับการเทศนาของเราและความเชื่อของเรานั้นจึงมีหลักประการที่3ครับพยานและนักเทศทั้งหมดกลายเป็นคนโกหกครับผมเป็นคนโกหกอันดับแรกเลยนะครับในคิดจักรวัฒนาเพราะผมเทศเรื่องการเป็นนี่มีความตายพี่น้องก็เชื่อและพี่น้องบอกต่อพี่น้องก็เป็นคนโกหกเหมือ น, นกันพระกัมพีพูดชัดหนึ่งโครินธ์บทที่สิข้อสิบห้บอกว่าและเราก็จะปรากฏว่าเราอ้างพยานเทศในเรื่องพระเจ้าที่การโกหก เพราะเราอ้างพยานว่าพระเยซูพร ะ, พระเจ้าได้ทรงชุบพระคริดให้เป็นขึ้นมาแต่ถ้าคนตายไม่ถูกชุบให้เป็นขึ้นมาแล้วพระองค์ก็ไม่ได้ทรงชุบพระคริดให้เป็นขึ้นมาทุกอย่างนั้นเป็นเรื่องโกหกพวกลมทั้งสิ้นประการต่อไปครับไม่มีใครจะได้รับการไถ่ให้รอดจากบาปเลยพี่น้องครับที่เรามานั่งอยู่ที่นี่น่าจะถือศีลอะไรก็แล้วแต่ครับนะครับการที่เรามานั่งอ่านพระคัมภีร์จะเป็นประโยชน์ก็เพราะคําสอนเท่านั้นเองแต่ว่ามันไม่มีฤทธิ์เกิดขึ้น ให้เกิดการรอดพ้นจากบาปประการที่หครับผู้เชื่อทั้งหมดในอดีตก็คงได้พินาศไปคนทั้งหลายที่ล่วงหลับไปในพระคริสต์ก็พินาศไปด้วยนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนที่ยอมตายเพื่อความเชื่อเรื่องพระเยซูปเป็นขึ้นเป็นความตายเขาจับมาบีบนิ้วเขาจับมาเลื่อนนะครับเลื่อยตัวให้ให้ให้ขาดกันเป็นท่อนๆ น, นะครับเขาจับมาทําอันตรายทรมานหลายอย่างกับพวกเหล่านี้ ที่เขาได้รู้และมั่นใจว่าพระเยซูเป็นเพือมีความตายเขามีประสบการณ์ของเขาเองกับพระเยซูและเขาก็ยอมรับความทุกข์ทรมานยอมรับการข่มเหงยอมรับความตายด้วยความจริงอันนี้เพื่อความจริงอันนี้และที่สุดท้ายครับพวกเราจะเป็นคนที่น่าสมเพชมากที่สุดในโลกพระคุณพี บ, บอกนะครับบอกว่าพวกเราซึ่งอยู่ในพระคิดนั้นถ้ามีแค่ความหวังเท่านั้นเราก็เป็นพวกที่น่าสังเวชที่สุดในบรรดาคนทั้งปวง พี่งครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากเวลาที่ผมอ่านพระคัมภีร์ข้อนี้บอกว่าเออการที่เราเนี่ยนะน่าไปมนคริสเตียนการที่พระเจ้าเรียกร้องเราให้เราถวายชีวิตการที่พระเจ้าได้บอกว่าเราจะต้องทําอะไรบ้างแล้วเราก็เชื่อฟังเชื่อฟังเชื่อฟังสิ่งนี้กลายเป็นสิ่งที่ไรอนาคตทั้งสิ้นและมันกลายเป็นเรื่องที่เราเองนั้นมองกลับมาพวกนี้เป็นคนที่โง่จังเลยเป็นคนน่าสมเพชที่สุดเลยที่เรานั่งกันอยู่ที่นี่ที่เราถวายทรัพย์ที่เรารับใช้พระเจ้า ที่ผมถวายตัวผู้รับใช้พระเจ้าเต็มเวลาถวายตัวหลายคนถวายตัวด้วยไม่ต้องรับเงินเดือนมาเป็นอาสาสมัครที่โบสถ์ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่อนิจจังไม่มีผลอะไรเกิดขึ้นเป็นสิ่งที่น่าสมเพศสมเพศน่าสังเวชและน่าสมเพศมากๆชีวิตของเราถ้าพระเยซูไม่ได้เป็นขึ้นเหนความตายพี่น้องครับพระพิยืนยันต่อไปว่าแต่ความจริงพระคริสต์ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นเหนความตายแล้ว และทรงเป็นผลแรกในพวกคนทั้งหลายที่ล่วงหลับไปโอมั จ, จุราชเอย๋ยชัยชนะของเจ้าอยู่ที่ไหนโอมั จ, จุราชเอย๋ยเหล็กในของเจ้าอยู่ที่ไหนดูก่อนพี่น้องทั้งหลายเราไม่อยากให้ท่านไม่ทราบถึงความจริงเรื่องคนที่ล่วงหลับไปแล้วเพื่อท่านจะไม่เป็นทุกข์โศกเศร้าอย่างคนอื่นๆที่ไม่มีความหวังในเมื่อเราเชื่อว่าพระเยซูทรงสิ้นพระชนและทรงคืนพระชนม์โดยพระเยซูนั้นพระเจ้าจะทรงนำบรรดาคนที่ล่วงหลับไปแล้วนั้นมากับพระองค์ พี่น้องครับการเป็นที่มีความตายการฟื้นขึ้นผชญ น, นั้นพิสูจน์ว่าพระเจ้ามีฤทธิ์อำนาจที่จะยกเราขึ้นมาจากความตายเช่นเดียวกันจะทําให้ชีวิตของเรานั้นเป็นที่มีความตายเมื่อพระเยซูกลับมารับเราอีกครั้งหนึง่งพี่น้องครับนั่นเป็นความหวังที่เราจะได้รับพระพรจากพระเจ้าในความเชื่อนี้พี่น้องครับในวันนี้นะครับผมจะพูดถึง7ประการที่พระเยซูชนะแล้วเกิดผลอะไรบ้าง 1. ครับพระเยซูทร ง, งชนะความตายตามที่ท่านเห็นในจอนะครับ ประการที่สองครับเราถูกดึงกลับสู่พันธสัญญาอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้านี่คือมหาสนิทครับพี่น้องวันนี้มี12ท่านด้วยกันที่จะเข้าสู่พิธีบับติศมาและเป็นครั้งแรกของพวกเรานะครับที่เข้าสู่พิธีบับติศมาและครั้งแรกของพวกเรา12ท่านที่เข้าสู่พิธีมหาสนิทและสองศีล น, นี้นะครับเราพูดว่าสองพิธีศักดิ์สิทธิ์เนี่ยท่านได้รับพร้อมกันในวันนี้วันเดียว และเป็นวันเดียวของชีวิตที่ท่านได้รับสองสินี้พร้อมๆกันหลังจากนี้จะไม่มีอีกแล้วครับเพราะฉะนั้นเราจึงจัดให้เป็นวันอีสเตอร์เป็นวันแห่งความทรงจําของพี่น้อง12ท่านนี้หลังจากที่เรารับพิธีมหาสนิทนะครับเรียบร้อยเลิกน้ำมการแล้วขอพี่น้องที่จะมาที่จะแสดงความยินดีนะครับกับ12ท่านที่ได้เข้าสู่ครอบครัวของพระเจ้าในเช้าวันนี้เ พ, พื่อนผีบอกว่าเมื่อรับประทานแล้วพระเยซูจึงหยิบถ้วยด้วยอาการอย่างเดียวกันตรัสว่า วยนี้คือพันธสัญญาใหม่โดยโลหิตของเราเมื่อทั้งหลายดื่มจากถ้วยนี้เวลาใดาจงดื่มเป็นที่ระลึกถึงเราการสิ้นพระชนของพระเยซูและการเป็นที่ของความตายการคืนพระชนของพระเยซูนั้นดึงเรากลับเข้าสู่พันธสัญญาและพันธสัญญานี้เป็นพันธสัญญาใหม่ครับในสมัยพระคัมภีรเดิมนะครับสัตว์เป็นล้านล้านตัวถูกฆ่าเพื่อถวายบูชาขอโทษพระเจ้า แต่ว่าหลังจากที่เบซูได้ทร ง, งสิ้นพระชนพระองค์ทรงเป็นลูกแกะของพระเจ้าเป็นพระเมสสปนดกและพระองค์ทร ง, งนําพระองค์เองเข้าสู่การถวายบูชาพระองค์ทรงสองศาสนภาพคือเป็นเครื่องบูชาและเป็นผู้ที่ถวายบูชาเองพี่น้องครับจากตรงนี้เองทําให้เกิดพันธสัญญาใหม่ครับพันธสัญญาเดิมนั้นเนี่ยมันสมบูรณ์โดยพันธสัญญาใหม่นี่เองพี่น้องครับเราได้กลับสู่พันธสัญญาเราได้รับความรอดโดยพระคุณนะครับ ประการที่3ครับใช้ชนะของพระเยซูนํามาซึ่งการยกเลิกการลงโทษที่มีต่อเราเพราะฉะ้า้าพระเจ้าในโรมบทที่8ข้อที่1นะครับได้กล่าวว่าเหตุฉะนั้นการลงโทษจึงไม่มีแก่คนทั้งหลายที่อยู่ในพระเยซูคริสพี่น้องครับผมอยากจะให้พวกเราได้อ่านพร้อมกันสักรอบหนึ่งดีไหมครับอ่านดังๆนะครับเหตุฉะนั้นการลงโทษจึงไม่มีแก่คนทั้งหลายที่อยู่ในพระเยซูคริสเพราะฉะนั้นเวลาที่เรา เป็นคริสเตียนแล้วเป็นลูกของพระเจ้าแล้วเราบังเกิดใหม่แล้วเราเติบโตขึ้นในทางของพระเจ้าหลา้วข้งทีเดียวนะครับเหตุร้ายวิกฤตต่างๆเกิดขึ้นมาบางคนชอบพูดแบบว่าพระเจ้าลงโทษพระเจ้าลงโทษฉันตอ น, นแรกๆนะครับที่ผมเป็นมะเร็งนะครับผมก็ถามพระเจ้าว่าผมผิดอะไรเหลอพระเจ้าลงโทษผมหรือแต่พอมาอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ครับโรมบทที่8ปดข้อที่หนึ่งที่บอกว่าพระเจ้าไม่ได้ลงโทษเราพระเจ้าให้บทเรียนเรา พระเจ้าให้บางสิ่งบางอย่างที่เราจะต้องผ่านมันไปให้ได้เหตุฉะนั้นการลงโทษจึงไม่มีแก่คนทั้งหลายที่อยู่ในพระเยซูพี่น้องครับอย่าให้มาร์ตซา์ตามันหลอกเรานะครับว่าเราได้รับโทษเราทําอะไรผิดความบาปของเราเนี่ยพระเยซูได้ยกแล้วนะครับบนไม้กางเขนแต่เราต้องสรารภาพบาปทุกวันที่เราทํากับพระองค์เพราะอะไรครับเพราะปัทธนาที่จะมีชีวิตที่บริสุทธิ์ครับพี่น้องครับ การลงโทษไม่มีแก่คนทั้งหลายที่อยู่ในพระเยซูใช้ชนะของพระองค์นะครับที่พระองค์เนีเป็นที่มีความตายพระองค์ได้ยกเลิกการลงโทษที่มีต่อเราไปแล้วครับประการที่4ครับพระองค์ได้ปลดปล่อยเราให้เป็นอิสระเป็นอิสระจากอะไรครับหลายหลายท่านนี้ได้ถูกผูกมัดด้วยบางสิ่งบางอย่างเพราะว่า ก่อนที่จะมาเป็นคริสเตียนนะครับบางคนก็เอาดวงนะไปผูกนะครับบางคนก็ถูกมอบให้เป็นลูกของเจ้าพ่อนี้เจ้าพ่อนั่นนะครับบางคนก็ไปเกี่ยวข้องกับไสยศาสตร์ในทุกๆรูปแบบไม่ว่ารูปแบบใดก็ตามพี่น้องครับสิ่งเหล่านี้นะครับรวมทั้งถึงการดูหมอด้วยนะครับนะการอยากจะรับคำพยากร์นู่นี่นี่นั่นนะฮะมันจะผูกมัดชีวิตของเราการเป็นที่มีความตายของพระเยซูนั้น ปลดปล่อยเราให้เป็นอิสระจากการผูกมัดของมารซาตานทั้งหลายทุกอย่างนะครับออกจากการผูกมัดด้วยกฎแห่งบาปจากความตายทั้งสิ้นพี่น้องครับเพราะว่ากฎของพระวิญญาณแห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ได้ทําให้ข้าพเจ้าพ้นจากกฎแห่งบาปและความตายการเป็นที่มีความตายการคืนพระชนของพระเยซูปลดปล่อยเราให้เป็นอิสระจากสิ่งเหล่านี้ครับเวลาที่เรานําคนรับเชื่อนะครับหลายหคนเนี่ยเคยมี อะไรบางอย่างผูก พ, พันอยู่กับสยศาสตร์บ้างนะครับหมอดูบ้างหรือแม้กระทั่งมารสตานวิญญาณชั่วถูกผูกมัดไว้เราต้องแก้มัดครับอธิษฐานตัดความสัมพันธ์กับสิ่งเหล่านี้นะครับเพราะว่ากฎของพระวิญญาณได้ทำให้ข้าพเจ้าพ้นจากกฎแห่งบาปและความตายประการที่5ครับพระองค์ทรงให้เราสามารถเอาชนะบาปได้พระองค์ทรงสามารถ ให้เราเอาชนะบาปได้นี่คือฤทธิ์เดชในการที่เราจะมีชีวิตที่บริสุทธิ์การเป็นนิมิตความตายของพระองค์นั้นรับรองนะครับเรื่องการมีชีวิตที่บริสุทธิ์พึ่งพีบทที่6นะครับของพระธรรมโรมข้อ18นี้บอกว่า mm hmm. เมื่อท่านพ้นจากบาปแล้วท่านก็ได้เป็นทาสของความชอบธรรมพี่น้องครับก่อนที่เราจะเชื่อพระเจ้าก่อนที่เราจะบังเกิดใหม่ก่อนที่เราจะต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตเราเป็นทาสของบาป เป็นธาตของผีมารวิญญาณชั่วเป็นพาทาตของสิ่งต่างๆที่อยู่ในโลกนี้แต่พอเวลาเรากลับใจใหม่เชื่อพระเจ้าแล้วเรากลับได้เป็นอิสระหลุดออกจากการเป็นทาตกลายไปเป็นไทยครับจะจากความเป็นไทยนี่เองเนี่ยคนคนนั้นนะครับได้สัมผัสถึงความรักและพระคุณของพระเจ้าเขาก็เลยสมัครใจที่จะเป็นทาตของพระเยซูสมัครใจเป็นทาตของความชอบธรรมพี่น้องครับหลายหลาครั้งทีเดียวนะครับเราเป็นไทย แต่ว่าเรายังไม่สมัครใจที่จะเป็นทาสของพระเจ้าน่าเสียดายนะครับบางคนอยู่ในกระบวนการนี้ก็คือฉันเป็นไทยฉันเป็นไทยฉันเป็นไทยร้องเพลงใช่ไหมครับนะฉันเป็นไทยฉันเป็นไทยฉันเป็นไทยในพระเยซูแต่ว่ายังไม่ได้สมัครเป็นทาสสมัครของพระเยซูคำถามก็คือว่า การเป็นขึ้นใความตายของพระองค์นั้นได้ผลักดันและจูงใจเราที่เราจะอยากจะสมัครเป็นท่าสมัครของพระเยซูไหมครับประการที่6ครับการเป็นขึ้นในความตายของพระเยซูนั้นนํำชัยชนะให้กับชีวิตทุกคนในโลกนี้พี่น้องครับนี่คือความยิ่งใหญ่มากครับของการเป็นขึ้นใความตายของพระเยซูใครก็ตามที่เชื่อพวกเขาจะได้รับความรอด และความรอดนี้เป็นความรอดจริงๆนะครับเป็นความรอดที่สามารถจับต้องได้ในชีวิตนี้ที่เรามีอยู่และเป็นความรอดในอนาคตที่เรายังจับต้องไม่ได้แต่จะเป็นจริงเมื่อเราจากโลกนี้ไปเราเรียกทั้งสองอย่างนี้นะครับคือชีวิตนิรันดร์ถ้าถามพี่น้องที่นั่งอยู่กำลังจะรับสินเนี่ยถามว่ามีชีวิตนิรันดร์แล้วอย่างบางคนนะครับที่ไม่รู้เรื่องนะครับไม่ได้รับการสอนมาบอกว่าไม่รู้มีชีวิตนิรันดร์ยัง รับชีวิตนิรันดร์เมื่อไหรเขาบอกว่าไม่รู้ผมจะบอกกับพี่น้องครับว่าใครก็ตามที่บังเกิดใหม่เนี่ยเขาจะต้องทํา4อย่างนะครับพูดหลายรอบนะครับ1คือต้องยอมรับว่าเราเป็นคนบาปสารภาพ2เราต้องกับใจใหม่ทูลขอการอภัยโทษจากพระเจ้า3เราต้องเปิดใจออกต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตเป็นพระเจ้าและเป็นพรอผู้ช่วยรอด4ี่เราจะต้องตัดสินใจติดตามพระเยซูตลอดไปนั่นคือ4ประการสขั้นตอนในการที่เราจะบังเกิดใหม่ แต่เมื่อเราปากกับใจตรงกันนะครับนะครับเราพูดอะไรเนี่ยใจของเราเป็นอย่างนั้นหมายความว่าอย่างนั้นนะครับเราจริงใจกับพระเจ้าความรอดเข้ามานะครับความชอบธรรมเข้ามาแล้วความบริสุทธิ์เข้ามาแล้วการชําระบาปเข้ามาแล้วนะครับการรับเป็นบุตรของพระเจ้าเข้ามาแล้วและพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะบัพติศมารเราเข้าอยู่ในพระกายของพระเยซูนั่นคือกระบวนการต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของพวกเราครับที่เป็นคริสเตียนเป็นลูกของพระเจ้าแท้เพราะฉะนั้นนั่นคือชัยชนะที่ พระเจ้าจะใช้คาว่าวินเรานะครับวินวีจวินนะครับวูอวินก็คือชนะใจของเราชนะเราและชนะโลกพี่น้องครับชีวิตของคนที่ได้รับชัยชนะกาดจากการเป็นที่มีความตายชีวิตของเขาเนี่ยอยู่เฉยเฉยไม่เปลี่ยนแปลงไม่ได้นะครับ เพราะงีเราจะเห็นหนึงชีวิตที่เปลี่ยนแปลงเจริญเติบโตขึ้นในพระวจนะของพระเจ้าในทางของพระองค์ในหน้าวัดไทยของพระองค์โตขึ้นโตขึ้นเรื่อยๆจนถึงจุดๆหนึ่งเนี่ยเขาจะอยู่เฉยๆไม่ได้ที่จะไม่ถวายตัวอยู่เฉยๆไม่ได้ที่เขาจะไม่เป็นสาวกอยู่เฉยๆไม่ได้ที่เขาจะไม่ประกาศพระกิติคุณเพราะมันเป็นแรงบันดาลใจเป็นฤทธเดชเป็นความเร่งเร้าที่อยู่ในชีวิตของเขาในการที่เขาอยากจะประกาศพระกิติคุณของพระเจ้าชีวิตของหมอบรรเล เมื่อวานนี้เราไปดูที่หลุมฝังศพของท่านที่สุสานโปรเตสเซนที่ริมแม่น้ำเจ้าพรานะครับที่ถนนเจริญกรุงนะครับพระอาทวิทยาคมผู้คนเหล่านี้ครับเป็นคนที่ประกาศชัยชนะของการเป็นที่ี่ยความตายของพระเยซูเดินทางมาจากต่างประเทศสหรัฐอเมริกาแรมเดือนร้อนแรมมานะครับภรรยาเสียชีวิตบ้างลูกเสียชีวิตบ้างประสบกับภันธนาายหลายอย่างบ้างถามว่าเขาทาทาไมครับ แรงจูงใจอย่างแรกคือพระเยซูเป็นขึ้นแล้วพระเยซูทรงพระชนอยู่และพระองค์ได้สั่งให้เขาได้ออกไปประกาศเลี้ยงดูและสร้างสาวกพี่น้องครับชัยชนะของพระเยซูที่มาถึงแผ่มาถึงเรานั้นทําให้เราอยากจะสร้างสาวกไหมยอยากจะเป็นสาวกของพระเยซูไหมยอยากจะประกาศพระกิติคุณไหมครับถ้าเมื่อเราเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีนะครับมีแรงบนันดาลใจอย่างนี้ นะครับมีท่าที่อย่างนี้ในใจมีความปรารถนาอย่างลึกๆในใจที่อยากจะเป็นพระยาเนั่นแหละครับแสดงว่าพระเยซูการสิ้นพระชนของพระเยซูการเป็นที่แห่งความตายของพระเยซูนั้นกําลังออกฤทธิ์อยู่ในชีวิตของเรานะครับสุดท้ายครับสุดท้ายชัยชนะของพระเยซูนํามา ถ, ถึงขั้นสุดท้ายเลยนะครับในแผนการของพระเจ้าปรากฏอยู่ในพระธรรมวิวรณ์แบทบที่21ข้อที่หนึ่งถึงข้อที่เ็ครับพี่น้องค่อยๆ อ, อ, อ่านกับผมไปพร้อมๆกันนะครับเพราะมันหลายหน้านิดนึงนะครับ เชิญอ่านพร้อมกันครับหนึ่งสองสข้าพเจ้าได้เห็นท้องฟ้าใหม่และแผ่นดินโลกใหม่เพราะท้องฟ้าเดิมและแผ่นดินโลกเดิมนั้นหายไปหมดสิ้นแล้วและทะเลก็ไม่มีอีกแล้วข้าพเจ้าได้เห็นวิสุทธินครคือนครเยรูซาเล็มใหม่เลื่อนลอยลงมาจากสวรรค์และจากพระเจ้านาครนี้ได้จัดเตรียมไว้พร้อมแล้วเหมือนอย่างเจ้าสาวแต่งตัวไว้สำหรับสามีข้าพเจ้าได้ยินเสียงดังมาจากพระที่นั่งว่า ดูเถิดพับพลาของพระเจ้าอยู่กับมนุษย์แล้วพระองค์จะทรงสถิตกับเขาเขาจะเป็นชนชาติของพระองค์และพระเจ้าเองจะประทับอยู่กับเขาพระเจ้าจะทรงเช็ดน้ําตาทุกๆุกหยดจากตาของเขาความตายจะไม่มีอีกต่อไปการขําครูนการร้องไห้และการเจ็บปวดจะไม่มีอีกต่อไปเพราะยุคเนินนั้นได้ผ่านพ้นไปแล้วผู้ใดมีชัยชนะผู้นั้นจะได้รับสิ่งเหล่านี้เป็นบรดก และเราจะเป็นพระเจ้าของเขาและเขาจะเป็นบุตรของเราพี่น้องครับที่นี่พระเยซูบอกว่าถ้าผู้ใดมีชัยชนะเหมือนกับที่พระเยซูมีชัยชนะเหนือความตายผู้นั้นจะได้รับสิ่งเหล่านี้เป็นมรดกสิ่งเหล่านี้คืออะไรครับวิสุทธินครเยรูซาเล็มใหม่นะครับพร้อมแล้วเลื่อนลอยมาจากสวรรค์สิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับคริสเตียนเราก็คือว่าเราอยากจะอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้า เพราะาอะไรครับเพราะว่าพระเจ้าองค์ผู้เป็นเจ้าของเรานั้นเป็นแหล่งแห่งชีวิตของเราทั้งหลายบนไม้กางเขนครับพระเยซูตรัสว่าเอลีเอลีลามาสบักธานีแปลว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์เจ้าข้าชนไหนส่งทอดทิ้งข้าพระองค์เสียนั่นหมายความว่าเดิมทีนั้นพระเยซูนั้นอยู่กับพระบิดาเป็นอั น, อนหนึ่งอันเดียวกันครับแต่เพราะเนื่องจากความบาปของเราเนี่ยเกิดการแยกระหว่างพระเจ้ากับพระเยซู ความมืดสามชั่วโมงนะครับเป็นตัวแทนของอุปสรรคที่เกิดจากความบาปขวางกั้นเรากับพระเจ้าขวางกั้นพระเยซูกับพระเจ้าและสิ่งนี้เองครับเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้ว่าความทุกข์ทรมานที่รวมกันอยู่ในพระเยซูนั้นมันยิ่งใหญ่และหนักหนาสหาหัสเพียงไหนและความยิ่งใหญ่หนักหนาสหาหัสเนี่ยทให้พระเยซูต้องสิ้นพระชนครับ หลังจากการสิ้นพระชนของพระเยซูพระเยซูเป็นขึ้นจากความตายและพระองค์เป็นผลแรกของการเป็นขึ้นมาจากความตายและคําว่าผลแรกนั้นก็คือว่าต้องมีผลต่อต่อมาใช่ไหมครับใครจะเป็นผลต่อต่อมาครับพวกเราพี่น้องครับพวกเราเราจะได้รับความรอดและเป็นขึ้นจากความตายเหมือนกับพระเยซูอีกครั้งหนึ่งพี่น้องครับนั่นคือความหวังที่ยิ่งใหญ่มากถ้าพระเยซูไม่เป็นขึ้นจากความตาย ความหวังของเรานี่กลายเป็นลมๆแรงๆครับไม่มีประโยชน์แล้วไปทําอย่างอื่นตามใจชอบดีกว่ามนุษย์นั้นไม่มีเดสตินีไม่มีความหมายในในในชีวิตที่จะทำอะไรที่ดีไม่มีความหวังอะไรทั้งสิ้นไม่เหลืออยู่ไม่เหลืออะไรเลยครับพี่น้องครับชีวิตของเราไม่เหลืออะไรเลยถ้าพระเยซูไม่ได้เป็นขึ้นในความตายพี่น้องครับพระองค์ผู้ทรงประทับบนพระที่นั่งว่าดูเถิดเราจะสร้างสิ่งใหม่และพระองค์ตรัสอีกว่าเราจะเขียนจงเขียนไว้เถิดเพราะถ้อยคําเหล่านี้เป็นคําสัต์จริง พระองค์ตรัสกับพระเจ้าว่าสำเร็จแล้วเราเป็นอัลฟาและอโมยกาเป็นปฐมและอวาสานผู้ใดกระหายเราจะให้ผู้นั้นดื่มจากบอ่อน้ำผู้แห่งชีวิตโดยไม่ต้องเสียอะไรเลยผู้ใดมีชัยชนะผู้นั้นจะได้รับสิ่งเหล่านี้เป็นมรดกเราจะเป็นพระเจ้าของเขาและเขาจะเป็นบุตรของเราพี่น้องครับมาถึงบทสรุปในเช้าวนันนี้พระธรรมหนึ่งโครินบทที่สิบห้าข้อห้ากถึงห้าสิแได้กล่าวว่า เหล็กในของความตายนั่นคือบาปและฤทธิ์ของบาปคือธรรมบัญญัติสาธุการแด่พระเจ้าผู้ทรงประทานชัยชนะแก่เราทั้งหลายโดยพระเยซูคริต์เจ้าของเราเหตุฉะนั้นพี่น้องที่รักของข้าพเจ้าพี่น้องครับผมอยากจะให้พวกเราอ่านตรงนี้นะครับนะครับหน้านี้นะครับที่ท่านเห็นอยู่นะครับท่านจงตั้งมั่นอยู่อย่าหวั่นไหวจงปฏิบัติงานขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้บริบูรณ์ทุกเวลา ท่านทั้งหลายพึงรู้ว่าโดยองค์พระผู้เป็นเจ้าการของท่านจะไร้ประโยชน์ก็หาไม่ได้พี่น้องครับอีกครั้งหนึ่งครับท่านจงตั้งมั่นอยู่อย่าหวั่นไหวจงปฏิบัติงานขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้บริบูรณ์ทุกเวลาท่านทั้งหลายพึงรู้ว่าโดยองค์พระผู้เป็นเจ้าการของท่านจะไร้ประโยชน์ก็หาไม่ได้อาเมนพี่น้องครับเราต้องไม่หวั่นไหวเราต้องตั้งใจ ปฏิบัติรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าให้บริบูรณ์ให้ครบถ้วนให้ดีทุกเวลาไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนนะครับจะอยู่ที่บ้านจะอยู่ที่ทำงานจะอยู่ที่ออฟฟิศจะอยู่ที่ไหนก็ตามครับพี่น้องครับจงปฏิบัติองค์พระผูเนเจ้าให้บริบูรณ์ทุกเวลาเพราะอะไรครับทั้งหลายเพิงรู้ว่าการของท่านจะไรประโยชน์ก็หาม่ได้พี่น้องครับ พระเยซูเป็นขี้ในความตายนําชัยชนะมาถึงเราเจดประการนี้ครับนะขอบคุณพระเจ้าครับที่พระเจ้าได้โอกาสที่ผมจะรับใช้พี่น้องด้วยพระชนะของพระเจ้าขอให้พี่น้องได้ดํารงอยู่ในพระชนะของพระเจ้าตลอดไปแต่เมื่อเรามีพระชนะของพระเจ้านะครับเราอธิษฐานขอสติปัญญาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์และพระชนะของพระเจ้าและพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทํางานร่วมกัน ในชีวิตของเราไม่มีนะครับฝั่งใดฝั่งหนึ่งทําเองโดยไม่ต้องพึ่งอีกฝั่งหนึ่งเพราะวจนะพระเจ้าต้องมีพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทำงานต้องอยู่บนพระวจนะของพระเจ้าในสิ่งเหล่านี้ครับจะทําให้ชีวิตของเรานั้นได้เติบโตและจะเป็นชีวิตที่มีชัยชนะต่อตอไปขอบพระเจ้าอวยพรทุกท่านครับอาเมน